ข้อที่26เรื่องม้าปันทวะในอดีตการได้มีพระราชาในกรุงพารณสีพระนามว่าสามะพระโพธิสัตว์เป็นมาตย์ผู้อนุาสา์อัด ร, รมของเท้าเธอก็เท้าเธอมีม้ามงคลชื่อว่าปันทวะคนเลี้ยงม้าของพระองค์ชื่อว่ากิริทัต เป็นคนขาขย ե กม้าเห็นเขาจับบางเหียนเดินไปข้างหน้าข้างหน้าสาคัญว่าเจ้านี้ให้เราศึกษาจึงศึกษาตามอาการของเขาได้เป็นม้าขาขย ե กไปพระราชาทรงสดับว่าม้านั้นขาขย ե กจึงส่งพวกแพทย์ไปวงแหวเปิดตรวจวงแหวปิดแพทย์เหล่านั้นไปแล้ว ไม่พบโรคในตัวม้าจึงกราบทูลแด่พระราชาว่าพวกข้าพระองค์ไม่พบโรคของม้านั้นพระราชาทรงส่งพระโพธิสัตว์ไปโดยพระดำรัสว่าเธอจงไปจงรู้เหตุในเรื่องนี้พระโพธิสัตว์นั้นไปแล้วทราบว่าม้านั้นเดินกระเพกเคราะเกี่ยวข้องกับคนเลี้ยงม้าข า, ขาเขยกจึงกราบทูลว่า แต่มหาพพิทเหตุที่เป็นอย่างนี้ชื่อพระโทษที่เกี่ยวข้องกันดังนี้แล้วกราบทูนว่าม้านั้นได้คนเลี้ยงม้าที่ดีแล้วจกเป็นเหมือนอย่างเดิมพระราชารับสั่งให้ทำอย่างนั้นแล้วม้าได้ตั้งอยู่ในปกติภาพแล้วเรื่องม้าปัญถวะในอัถกถาแห่งคริทัต ช, ชาดกในทุกอนิบาตจบ